รื่อครัวจบไปแล้วไปหาเรื่องการปฏิบัติมันเราให้พิจารณาในขณะทําษทครัวเราดูแล้วทําไม่ได้เห็นกลายเป็นว่าในครัวกลายเป็นที่ฝึกจิตที่ว่าทําไอที่ไปฝึกฝึกมาพอในครัวกลายเป็นเวทีขึ้นชกว่าทํำยังไงไม่ทะเลาะการทําไงมันวุ่นวายไม่วุ่นวายแต่จริงไม่ใช่ว่าเป็นที่ปฏิบัติธรรม เนี่ยไม่สามารถเลยที่จะปฏิบัติธรรมไปในทการการทำงานได้เลยเราก็พูดอยู่แทบตายเวลาทำงานก็คือทำงานเลยทำครัวก็คือทำครัวแต่การปฏิบัติธรรมไม่เหลือเลยไอ้ตรงนี้จะต้องเพิ่มเข้ามาไม่ใช่ว่าล็อกเวลาปิดครัวแล้วไปปฏิบัติไม่ใช่การปฏิบัติคือปฏิบัติตลอดเวลาไอ้เรื่องล็อกครัวเนี่ยคือไม่มันเอื้อ ทำคัวเลื่อยเอยไปเรื่อยเก็บตันเก็บนี่เราไม่เห็นออกจากครัวสักทีเราเรายือนอยู่เนี่ยเราก็ดูไปในครัวมีคนอยู่ในครัวตลอดไม่เคยว่างเลยในครัวไม่เคยว่างเลยมันไม่เคยว่างเลยอย่างนี้มันเอื้อยเอื้ออันนี้อาเราตากนับเวลาแล้วเราตกหลุมมาแล้แต่ปัญหาว่าต้องฝึกเพิ่มขึ้นคือว่าฝึกในท่ามกลางการทํางาน อันนี้ก็พูดกันมาบ่อยทำงานมีแต่ครัวมีแต่กรัว ม, ม, มีแต่หม้อมีแต่ไหายมีแต่ทำทางแต่ในใจมันไม่เหลือเลยมันไม่ได้พิจารณาเลยไม่เหลื อ, อาการพิจารณาเลยมันส่งจิตออกนอกตลอดไปอยู่ที่หม้อไปอยู่ที่กับข้าวการทำกับข้าวไม่เราเนี่ยยิ่งกว่าการทำครัวอีกสื่อพยานนะสื่อพยานเขียนคำพักสารบนบอลลังเนี่ย แต่ใจข้างในเนี่ยแอบพิจารณาถึงแต่ความตายเน่าเปืป่อยผูพังตายเนาเปืป่อยผุพังตายเน่าเปืป่อยผพังตลอดเวลาเลยไม่มีเวลาหยุดพักเลยคั่นมาสอนไม่มีใครทำเลยคืองานคืองานอย่างเดียวหมดไปกับงานเลยอยู่กับครัว ก, ก็คืออยู่กับครัวเลยแต่ใจข้างในหายเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเลยตรงเนี้มันไม่ได้จริงๆเราเห็นแล้วเนี่ยมันไม่ได้จริงๆเราไปนั่งดูในครัวเนี่ย ต่อไปไม่ได้ไปเฉยๆนะเราไปนั่งเนี่ยทำไมเราจะไม่รู้ในใจมันไม่เหลือเลยมันไม่เหลือเลยมันมีแต่ส่งออกนอกตลอดเลยมีแต่งานมีแต่คุยออกับคนนั่นมีแต่งานมีแต่ทำานดนนีนี้มีแต่งานในใจมันไม่เหลื อ, อาการพิจารณาเลยตรงนี้มันทำไมทำไม่ได้ตรงเนี้ย คือมันเหลือแต่การทํางานการทํางานหมดไปกับการทํางานเดี๋ยวมจะตายแลแ้วทั้งหมดไปการทํางานเดี๋ยวก็ตายไปขาการทํางานเน่ยเดี๋ยวก็เส้นโลหิตสมองแตกกับยืดจับหมอหายตายอยู่ตรงนั้นเนะี่ยมันไม่ได้ไปยังไงไม่ได้พิจารณาพิจารณาพิจารณาพิจารณ า, า, รามันทำไมไอตรงนี้มันต้องเพิ่มเหมือนนะเนี่ยเราไปดูเนี่ยคนแก่คนเฒ่ามาเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยโอ้โหมาดูก็การพิจารณาเวลาเขาปฏิบัติก็มาถาม เขาจะดสิบแปดสิบเป็นชาวบ้านเนี่ยมาเนี่ยอยู่ในตลาดเลยอะ่ะรู้สิเจ็ดสิบแปดสิบมาสองพี่น้องเนี่ยไอ้ไอเจ้าดาไปรับมาเห็นไหมโอ้โหเวลา เ, าเขาเขียนกระดาษมาถามเนี่ยเนี่ยโอ้โหเวลาถามถามคําถามมาเขียนกระดาษมาเนี่ยคําถามแต่และคําถามเนี่ยน่าดูเลยเนยีแล้วเวลาเข้ามาถามที่นี่เองอะ่ะ โอ้โหเขามาถามเนี่ยลึกซึ้งมากเลยเห็นไหมแนยเวลาเขามาถามเนี่ยลึกซึ้งมากเลยเขามาคุยธรรมะโอ้โหมีแต่ธรรมะเข้าถึงความหลุดพ้นหมดเลยเขาถามเขาหาความหลุดพ้นหมดมันดูแล้วอืแค่ๆว่ามันอะไรอะความต่างระดับเนี่ยมันต่างระดับมากเลยเพราจากที่เราสังเกต ด, ดูคือเราจะอัดเทปเนี่ย ไปปล่อยออกไปทําซีดีพอของเข้ามาเนี่ยมันตั้งไมค์อัดเทปไปทําซีดีได้เลยมีแต่คําถามคําตอบที่เด็ดๆตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเลยแทบจะเลยเวลาให้จะถึงบ่ายโมงเพราะว่าคําถามที่เด็ดๆยังไม่เสร็จจะถึงบ่ายโมงเช้าเนี้แต่เวลาพอเราเนี่ยมาตั้งไมค์พวกเราดูสิ มิแตดุม so so, ิแต like right, ่ว่ากันแต่ดุแต่ว่ากันเนี่ยไปวันเนี้ไปอัดเทปได้เมื่อไหร่ไปตัดซีดีไม่ได้ได้เมื่อไหร่ไม่ได้เลยนะเวลามาสอนอะไรเนี่ยมิแต่ดุว่ากันดุว่ากันดุว่ากันแล้วเอาไปอัดเทปออกไม่ได้เลยในอย่างวันเนี้ยออกไปอัดเทปส่งไปต่างประเทศได้เมื่ไรเนี่ยออกไปทั่วโลกได้เมื่อไรเนี่ยเพราะว่าเข้าไปตัดต่อนี่ไปทั่วโลกนะเนี่ยมันไปได้เมื่อไหร่อมาสอนกันญาพี่น้อมมิแตดุมิแต่ว่ากันดุมิแต่ว่ากันออกไปทั่วโลกไม่ได้เลยนะแต่ละแต่ละครั้งที่สอนนะ ต้องมีการบ้านมาส่งมีการบ้านมาส่งอย่างยันนมเห็นไหมเนี่ยไปไปดูเขาที่บ้านบ้านพัชรีที่ก็ไปอยู่กับเราที่กรุงเทพเมื่อคราี่แล้วก็ไปอยู่หลายวันเห็นไหมว่าเวลาเขามาถามเขามาส่งกันบ้านกันแต่ละคนเข้าเข้ามาถามกันอะตั้งไม้ตั้งไม้ไมอัดเทพออกไปทั่วโลกได้ตลอดเลยถ้าจะทุกคนเลยไม่ต้องตัดทิ้งเลยทั้งคนเดียวแม้แต่คนที่เป็นใบหูหนวก มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังไม่เคยฟังธรรมไม่เคยอะไรมาเลยแม่เขาก็มาทั้งแม่ทั้งลูกเป็นธรรมไปเลยอ่ะคนเป็นใบ้หูหนวกอ่ะมาจากเนเธอร์แลนด์คิดดูสิเด็กผมก็เห็นอยู่คนเขาฟังธรรมกันแบบลึกซึ้งเนี่ยเด็กที่เป็นใบ้เนี่ยมันบอกเลยภาษาใบว่ามันมีปมด้อยมากเลยว่ามัน เนี่ยทำที่ลึกซึ้งดีก็คุยกันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหูมันกระหนวกไม่สามารถจะฟังได้แล้วแถมเป็นใบ ก, ก็พูดไม่ได้หมดโอกาสที่จะรู้ทำเห็นทำความมาพูดนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะมาส่ภาษาใบเราสงสารมากเลยบอกว่าทำแท้แท้มีโอกาสได้ทั้งหมดอย่าเสียใจไปเลยเพราะทำแท้แท่คือรู้ออกมาจากใจไม่ได้ใช้ ระบบของระบบความคิดรู้ออกมาจากใจเราสอนไปสอนมาพูดไม่นานเด็กมันสามารถเข้าใจโปรงขึ้นมาเลยสว่างสวัยขึ้นมาเลยมันบอกว่าตอนนี้ใจมันเหมือนดอกบัวบานเลยมันสว่างสวยัยเจิดจ้าเลยแล้วเราก็เห็นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆเีหนมก็เห็นทั้งแม่ทั้งลูกร้องไห้น้ําตาไหลเลยแล้วก็ สำลายที่สุดคือสอนคนปกติได้สอนคนปกติได้คิดดูสินี่มาจากติดลบนะเป็นปมด้อยตัวเองเป็นหูหนวกเป็นใบามาจะติดลบอยู่สอนคนปกติอะีรเราก็เห็นอยู่เนี่ยสอนปกติแล้วเทปเนี่ยออก u ูทู e ไปทั่วโลกอสอนคนปกติได้ด้วยคนปกติว่า หนูสามารถแยกความคิดกับใจที่รู้ออกจากกันได้อย่างไรเนี่ยเหลือแต่รู้แล้วไม่ไม่หลงไปกับความคิดสามารถแยกคิดก like ับใจที่รู้ออกจากกันได้อย่างไรเนี่ยโยมเขาก็พยายามจะถามคนที่ปกติพยายามจะแยกความคิดไม่ให้ให้เป็นให้เป็นรู้มันไม้เป็นทัทีมันเป็นแต่คิดพยายามแยกกับรู้ออกจากคิดอยู่ตั้งนานแล้วยังแยกไม่ได้เลยมันเป็นแต่คิดคิดคิดคิดมันไม้เป็นรู้ทัทีเดียวที่มันเนี่ยรู้แล้วก็ มันสามารถที่ว่าคิดก็คือคิดรู้ก็คือรู้รู้เนี่ยไม่ติดไปกับคิดคนเขาเลยเขาก็ถามว่าหนูสามารถแยกรู้กับคิดออกจากกันได้ยังไงเนี่ยหนูป้าพยายามจะกำจัดความคิดออกไปจากรู้เนี่ยกำจัดมันไม่ได้ไม่รู้จะทำไงกับมันเขาพูดก้นมาคำว่าเราไปยุ่งอะไรกับความคิดเพราะความคิดเป็นของตาย ความคิดเป็นของตายแต่ใจที่รู้เนี่ยมันไม่เกิดไม่ตายทําไมเราไม่อยู่กับใจที่รู้ทําไมไปยุ่งกับความคิดที่เป็นของตายเพราะความคิดมันเป็นของที่เกิดแล้วก็ตายเราไปยุ่งอะไรกับมันทําไมไม่อยู่กับใจที่รู้ทําไมไม่รู้ออกมาจากใจจากคนไม่รู้ทําอะไรเลยเล่นเอาสว่างสวายตั้งห้องเลยแล้วพูดอะไรทุกอันพูดออกมาจากใจหมดเลย พูดออกมาจากใจเลยพูดออกมาได้เลยพูดทำออกมาจากใจได้เลยพูดออกมาจากใจได้เลยเล่นเอาคนปกติอึ้งไปหมดเลยเนี่ยเราออก youtube ด้วยเนี่ยเห็นไหมวันเนี้ยเราต้องเล่งพัฒนาตัวเราอย่าปล่อยปละละเลยอย่างนี้ไม่ได้พราอวันเวลาล่วงเลยไปมากแล้วนี่ใกล้จะดับลมหายใจแล้วยังไม่รู้ออกมาจากใจเลยทัที ยังเป็นคิดคิดคิดคิดคิดยังไม่เป็นรู้เลยรู้ไม่เฉ่คิดคิดไม่ใช่รู้รู้ไม่อาจคิดได้เมย์หมายมายพูดอะไรแบไงนะว่าไงลราพูดไงเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวไปอยู่เดี๋ยวไปอยู่เข็นไครนานได้หวัดไหวนะทุกคนมันมียุเลาจํากัดไม่ไม่สามารถจะพึ่งใครได้หลักเราต้องรีบพึ่งตนเองต้องเร่ง เร่นพิจารณาโปร่งปลวางเร่งพิจารณาเข้าพิจารณาเข้าพิจารณาเข้ า, า, าเนี่ย <Yeah. S 1> ตั้งใจเข้าปฏิบัติเข้าเรากันบ้านมาส่งทุกเช้าทุกเกย็นทุกเช้าทุกเกย็นต่อไปนี้เอาใหม่แล้เอาใหม่เอาใหม่เฮ mm ้ย hmm. อย่าปล่อยปล่าลราเลยอย่าเลีวไหลอย่าปล่อยชีวิตให้เลื่อนลอยไร้คาแบบนี้ เอาใหม่เอใหม่ม่ต้องผ่าใครจะเป็นยังไงท่องไว้เลยว่าใครจะเป็นยังไงใจเราต้องนิพพานใครจะเป็นยังไงใจเราต้องนิพพานในปัจจุบันนี้ให้ได้ใครจะเป็นยังไงใจเราต้องนิพพานในปัจจุบันนี้ให้ได้ต้องเอาเราไว้รอดก่อนเน่ะต้องท่องแบบนี้เลยอย่าห่วงใยอย่ากังวลอย่ายุ่งวุ่นวายจากคนอื่นใครจะเป็นยังไงใจเราต้องนิพพานเดี๋ยวนี้ให้ได้ใครจะเป็นยังไงใจเราต้องนิพพานเดี๋ยวนี้ให้ได้ต้องไว้ นะต่อมาอย่างนี้นะเอามาเอาใหม่เอาใหม่ตั้งใจใหม่หดีเสียเวลาไปเยอะมากแหละแต่ละคนอย่างโยมพี่รุ่นยังบอกเลยว่ชาช้าที่ใครถามนึบอกว่าโยมพีรุ่นเนี่ยน่าจะได้มากเลยอยู่กับหลวงปู่หลวงปู่จันทาพระอรหันต์พ่อแม่ครูบาจารย์เป็นเป็นบุลพาาจารย์อยู่กับหลวงปู่อัมธรรมกาครโมพระอรหันต์เป็นพ่อแม่ครูบาาจารย์ มีชื่ออยู่ในบุรพาจารย์เลยน่าเสียดายมากเนี่ยวันเวลาปล่อยผ่านมาเยอะมากแล้วน่าเสียดายวันเวลาที่ผ่านไปโอกาสที่ได้อยู่กับอรหันต์ทีเดียวสององค์นี่ยากมากเลยช่วงปีเสียดายเวลาผ่านไปมากวันเวลาที่ผ่านไปนะ ใครถามอะไรไหมเอา้ายังสามทุ่มครึ่งยังมีฝนเวลาเดี๋ยวกลับไปทำความเพียรอผลมันตกอยู่เดินไม่ได้แล้วจะซักอะไรไหมตอนนี้เอา้เอาผลไปวัดป่านา้นมีหน่วยฟังปูกว่านมาแล้วจะซักอะไรไหมเอา้าจะปฏิบัติยังไงอ่ะไอ้เกเอาไม้มาที่ไม่ไ้เก๋เ ไ, ห ไ, เกไหนเอ้า หรือก็เราเริ่จะพิจารณาความตายค่ะหลวงตาก็กำหนดภาพ บ, บ่ตับไปใสปูนแม่มนึงอยู่ในมันโนให้ความคิดเนี่ยค่ะก็ตเอามันจดจ่อมันอยู่เลยค่ะต่อไปนี้จะจดจ่อต่อเนื่องไม่ขาดสายปะะ่ะเดี๋ยวโมส่งจีดองนองนะค่ะต่อไปนี้ต้องเอาใหม่แล้วเดี๋ยวอ่างว่าต้องไปทํานู่นทํานี่แล้วก็ส่ง ท, งทิ้งหมดแล้ว ใจข้างใ น, นต้องพินาะร์กับติดจุดจ่อจด จ, อด จ, อดจอด่อกับติดจยต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ว่าร่างกายจะทํางานอะไรแต่ใจข้างใ น, นต้องพินาะรความตายต่อเ น, นื่องนะเราเราปากเราต้องกลับไปต้องกับติดจดจอจด จ, อดจอด่อกับติดเพื่อจะว่ามิจะสรงติดออกนอกเราก็อื่นว่าไงแต่ความจรงิงก็ไม่ใช่หน้าที่เราต้องมาดูเลยเนะี่ย <c oughs> มันไม่ใช่หน้าที่ของเราจริงต้องมาดูมาว่ากันนจริงๆไม่ใช่หน้าที่เราเลยนะ จะทำไหมมั น, ม, นมันดุมาว่ากันอยู่เลยโตโตกันแล้วว่าไงเอาตรงใส่เลยไหมเราจะถามอะไรอ่ะเอาอะไรปะพอรู้หมดแล้วจะได้ปฏิบัติการทําความเปลี่ยนกั น, นเรือทําอะไรไหมลูก ม, มาเนี่ยเข้าใจมันแล้วเนาะปฏิบัติได้แลนะ้วเนาะ เออกับทำความเปลี่ยนเนาะยังไงนะอ่ะไม่ ป, ปฏิบัติแล้วก็ยังไม่ได้คืบหน้าอะไระ่ะคะเออจะคืบ ห, คบหน้าไปไหน <S 2> <S 2> ไอน่ะอืมจะคืบหน้าไปไหนจะปล่อยวางในปัจจุบันจะคืบหน้าไปไหนคือแค่ดูรู้อยู่ในปัจจุบันนี่ก็ยังทําไม่ได้ต่อเนื่องตลอดไปนะคะยังทําไม่ได้จะทําอะไ ร, รค่ ะ, คะ จะทําอะไรอ่ะก็มีแต่ปล่อยวางในปัจจุบันปล่อยวางทั้งหมดในปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นมาก็วางไปวางไปวางไปเห็นแล้วรู้แล้วละแล้วเห็นแล้วรู้แล้วก็ละวางไปเห็นแล้วรู้แล้วก็ละวางไปจะไปเอาอะไรือจะมีสังเกตได้ดีมีผู้ไปเอาอะไรจะมีผู้จะไปเอาอะไรมีแต่ทุกอย่างวางหมดรู้แล้วเห็นแล้วก็วางหมดรู้แล้วเห็นแล้วก็วางหมดวางทุกอย่างที่รู้ที่เห็น ไม่มีตัวเราจะไปเอาอะไรไปได้อะไรได้ไหมอะไรเงี้ยจะลองดูค่ะ อ, อวางทุกอย่างวางทุกอย่างที่รู้ที่เห็นในขณะปัจจุบันวางทุกอย่างไปวางทุกอย่างสังเกตได้ดีว่ามีตัวเราอยู่เบื้องหลังไหมในการปล่อยวางดูนี้สําคัญนะสังเกตได้ดีว่ามีตัวเราอยู่เบื้องหลังในการปล่อยวางไหมปล่อยวางเพื่อตัวเราเท่ากับไม่ปล่อยวาง ปล่อยวางเพื่อตัวเราเท่ากับไม่ปล่อยวางต้องปล่อยวางตัวเราแต่กลับไปปล่อยวางเพื่อตัวเราเท่ากับไม่ได้ปล่อยวางตัวเราเข้าใจไหมไม่เข้าใจเอาหมอหมอก็อธิบายให้ใหลุนน้องฟังหน่อยได้มว่าไงก็คือถ้าเราคิดว่าเราจะปล่อยวาง ต, วตัวเราเพื่อให้ตัวเราไปเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะมีตัวเราซึ่งเป็นสังขารอยู่ ทีนี้สังขารเนี่ยเป็นสิ่งปรุงแต่งมันไม่ไปสามารถปล่อยวางเพื่อให้ไปถึงสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งได้คือถ้าน้องจะเห็นสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งน้องก็คือจะต้องเออ่ไม่ปรุงแต่งก็คือปล่อยวางสิ่งปรุงแต่งไปแล้วก็จะเจอสิ่งที่ไม่ปรุงแต่ง <c oughs> คือเหมือนมันจะแบ่งเป็นแค่สองอาาันนะคะอันนึงสังขารปรุงแต่งกลบอันนึงสังขารไม่ปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมีการเคลื่อนไหวที่เรายึดได้มีการเปลี่ยนแปลงได้เนะี่ยคือสังขารปรุงแต่ง ทีนี้อ่แต่ว่าใจของเราแท้ๆเมื่อเราเกิดมาเนี่ยมันเป็นสีเพลส์มูแต่มัน ไ, ม, ม, ม, นไ ม, ม่มันไม่มีรูปร่างไม่มีไม่มีสรีระไม่มีอะไรเลยเป็นความว่างเปล่าแต่ว่ามันถูกอวิชาเนี่ยจับผสมเข้ามาทําให้เราคิดว่าสังขารที่ตูงแต่เนี่ยเป็นตัวของเราแต่จริงๆแล้วเราไม่ใช่เราไม่มีอยู่แล้วตั้งแต่แรก ถ้าเราถูกอวิชชาในครอบงํามแต่ทีนี้การที่น้องจะเจอสีที่ไม่ปรุงแต่งได้เนี่ยน้องก็ต้องวางสีปรุงแต่งทั้งหมดเมื่อกี้หนาก็เลยบอกว่าเ อ, อถ้าเราเจ้าตัวเราไปปล่อยวางหือถือว่าไปปล่อยวางตัวเราเพื่อตัวเราเนี่ยมันก็คือปล่อยวางสังขารเพื่อสังขารมันก็จะไม่เจอมันก็จะไม่เจอสังขารไม่ปรุงแต่งคือเหมือนกับว่าลึกๆแล้วมันยังมีความอยากอะไรบางอย่างอยากที่จะปล่อยวางอยู่ ถูกต้องมีตัวนั้นอยู่ถูกต้องอ่านตรงนี้ขาดนะยังมีตัวเราที่จะไปเอาอะไรเปอ่านได้ขาดตรงเนี้ยตัวร้ายเลยตัวเนี้ยมันตลบหลังเลยกินเรียบเลยแม้แต่บอกปล่อยวางปล่อยวางแต่จะปล่อยวางเพื่อจะตัวเราจะได้อะไรตัวเราจะไปถึงอะไรตัวเราจะไปเป็นอะไรอันนี้มันตลบหลังกินเรียบเลยมันยึดมันมันยึดถือกินรวบเลยไอ้ตัวเราเนี่ย อ่านใจตรงนี้ให้ขาดมีแต่ปล่อยวางทุกขณะปัจจุบันไม่เข้าไปยึดบ้านถือบ้านอะไรแต่ไม่มีจะบปล่อยวางเพื่อให้ตัวเราไปได้อะไรไปเป็นอะไรไปเอาอะไรไอ้ีอย่างเงี้ยเท่ากับไม่ปล่อยวางเลยต้องอ่านนะต้องสังเกตให้ดีๆนะตรงนี้อ่านใจตรง้ขาด น, นะมีแต่ทุกขณาปัจจุบันรู้แล้วเห็นแล้วก็ละไปวางไปรู้แล้วเห็นแล้วก็ละไปวางไป ไม่มีตัวเราวางเพื่อให้ตัวเราเนี่ยไปได้อะไรไปเอาอะไรไปเป็นอะไรไม่มีการวางเพื่อตัวเราเข้าใจไหมเนี่ยมันจะดีไม่ดีจะเป็นกุศลไม่กุศลก็แค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้สังเกตไหมเข้าใจไมพอจะเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ เดพ่อกับแม่มาตอบพ่อกับแม่ไม่ได้ว่าปฏิบัติได้อะไรบ้างรู้เห็นอะไรบ้างยังไงบ้างเดี๋ยวตอบไม่ได้อืมตอนนี้ตอบได้นะเดี๋ยวพ่อกับแม่มาต้องบอกพ่อกับแม่ได้นะว่ามาปฏิบัติรู้เห็นอะไรเข้าใจยังไงนะคิดว่าจะบอกพ่อกับแม่ได้ไหมอืมต้องมั่นใจน ะ, ะเดี๋ยวคืนเนี้ปล่ยเร่งปล่อยวางซะปล่อยวางคู่ปล่อยวาง ปล่อยวางทั้งหมดและปล่อยวางผู้ปล่อยวางด้วยเคยมีพระเถระผู้ใหญ่องค์หนึ่งหลวงปู่ท่านเห็นหลวงตาปุ๊บท่าก็เดินเข้ามาหาเลยหลวงตาดูสิหลวงปู่ปล่อยวางทุกอย่างหมดแล้วมีอะไรหลวงปู่ยังไม่ปล่อยวางบ้างเนี่ยไม่เห็นมีนะั้นหลวงปู่ปล่อยวางหมดแล้วทุกอย่างลองดูสิหลวงปู่ปล่อยวางหมดแล้วทุกอย่างหรือ ย, อย่าง แต่หลวงปู่ว่าลหลวงปู่ปล่อยวางหมดแล้วแลวเนี่ยไม่มีอะไรที่หลวงปู่ไม่ปล่อยวางอีกยันยังปล่อยวางไม่หมดหมดแล้วนะดูให้ดีไม่มีอะไรที่นะ ท, ที่ไม่ปล่อยวางแล้วนะปล่อยวางหมดแล้วอยางยางเล็กอย่างเดียวเหลือผู้ปล่อยวางไว้ยังไม่ได้ปล่อยวางผู้ปล่อยวางพอบอกกับท่านแค่นี้นะเนี่ย โอ้โหตกตะลึงท่านตกตะลึงเราว่าเราปล่อยวางหมดแล้วแต่สุดท้ายก็มีผู้มาบอกว่าเรายังไม่ปล่อยวางตัวเราเองผู้ปล่อยวางเอาตัวเราเองอไปปล่อยวางทุกอย่างแต่ไม่ปล่อยวางตัวเองผู้ปล่อยวางคือเท่ากับไม่ปล่อยวางตัวเองแต่เอาตัวเองอไปปล่อยวางทุกอย่างแต่สุดท้ายลืมปล่อยวางตัวเอง นี่ตัวสำคัญเลยเอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางอย่าอืน่นหมดแต่ที่สุดไม่ปล่อยวางตัวเราเข้าใจมเนี่ยเข้าใจค่ะไหนเข้าใจแลวอธิบายฟังให้ได้ไงก็เราจะต้องปล่อยปล่อยวาง ปล่อยวางแบบไม่ไม่ต้องการอะไรอะค่ะปล่อยปล่อยทุกอย่างเดยที่เราต้องไม่เหลือความต้องการหวังว่าเราหวังอะไรหวังว่าเราอยากดอูกต้องแล้วจงจำคำพูดนี้ของหนูวให้ดีให้ถึงใจนะ ปล่อยวางทุกอย่างไม่คาดหวังอะไรเลยไม่มีไม่มีความต้องการอะไรเลยไม่มีความต้องการอะไรแอบแฝงในการปล่อยวางจำคำพูดได้ไว้ีให้ถึงใจ